บ <Book> <22. S 3> ุกทูยี่สิบสองการสนทนาสาม conversazione to t คุณสูบบุหรี่ไหมคะ t r u f f e u s, <S ดิฉันเคยสูบคะ่ะ มีอียัมฟูมิสแต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้วเสร็จนุ่นมีเนฟฟูฟูมัสรบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่ชูเจนัสวินเซมิฟูมัสไม่เลยค่ะแนะ่ทุกท่นแน่มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ ที่อยู่ในเจนสมินคุณจะดื่มอะไรไหมคะชูวิชาตุสตริงกิอิออนบรันดีไหมคะชูกอนยาคมไม่ค่ะดิฉันชอบเบียร์มากกว่าแน่เฟรเซเบลเลเบียรอคุณเดินทางบ่อยไหมคะ ช่วยมุลเตบยาจัสบ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ YesPlayofte estas negocios a j o i แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Set niun ferias c h t i a ร้รอนอะไรอย่างนี้ p a r m e j o ใช่ วันนี้ร้อนจริงๆ yes. vere เราไปที่ระเบียงกันเถอะพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ estos คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะ พวกเราได้รับเชิญด้วย yes un านเขานี่แอสตาสอินวิธี